س ب ا ل ل ه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م د ي ن ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วนี่เราได้พูดถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธา อายะจสิบอซึ่งมันตรงกันข้ามกับนิสัยและลักษณะของมุนาฟิกินลักษณะของผู้ศรัทธาที่เขาจะดำรงซึ่งการละหมาดสะกดเชื่อฟัง Allah เชื่อฟัง a l l a และ Rasul ผลลัพธ์ของลักษณะนี้ แล้วของทุกคนที่ปฏิบัติตามลักษณะนี้เพราะเพราะที่อัลลอได้พูดถึงเนี่ยคือหมายถึงว่าผู้ศรัทธาในยุคนัน้นในยุคนบีที่อยู่ร่วมกับพวกมุนาฟิกนะว่ามุนาฟิกทำแบบนี้เดีย๋ยวไปทางเขานี่นรกผู้ศรัทธาคือสหบลักษณะเขาเป็นแบบนี้และไปาทางเขานี่ก็คือสวรรค์ แล้วเช่นเดียวกันทุกคนที่ประพฤติเหมือนผู้ศรัทธาที่เป็นสหายเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยเขาก็จะได้ผลลบุญดังกล่าก็คืออัลลอฮจะเมตตาเขาและจะจะให้เขาได้เข้าสวรรค์ น, นี้เรื่องสวรรค์ น, นี่ก็อยู่ในอายะห์ถัดมาเนี่ยจะสิบสองเลื่อนมาพูดในสัปดาห์นี้เพราะมันมีรายละเอียด ที่เราสุภาณหัวตาละได้พูดถึงสวรรค์แห่งหนึ่งที่เราอ่านกันบ่อยในกุรานจันแนติอาดนินจันแนติอาดนินซึ่งมีรายละเอียดในสุนนะของท่านนบีสุลลฺลลาฮฺวะะแลเกี่ยวกับสวรรค์แห่งนี้และความประเสริฐของมัน لما لون الله سبحانه وتعالى دي دي كلامين ي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خ ا ل د ي ن فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ล l l a h ได้ทรงสัญญาสัญญาแก่บรรดามุขมุมินชายบรรดามุมินผู้ศรัทธาชายทั้งหลายและบรรดามุขมินหญิงผู้ศรัทธาหญิงทั้งหลายสัญญาไว้ซึ่งอะไรยะนนแนตินบรรดาสวนสวรรค์สัญญาว่าผู้ศรัทธาถ้าทําถ้าปฏิบัติตาม คในลักษณะของผู้ศรัทธารงซึ่งการละหมาดสะการเชื่อฟังอัลลอฮ์เราละสูตและแน่นอนเนี่ไม่ได้หมายรวมว่าเขาจะไม่มีความบกพร่องเขาอาจจะมีความบกพร่องบ้างแต่ภาพรวมของเขาทําไมอเพราะเรารู้กันว่าสัฮาบะของท่านนบีที่อัลลอฮ์หมายรวมตรงเนี้สัฮาบะก็มีความบกพร่องจึงรู้โดยปริยายว่าผู้ศรัทธาท่านอื่นถ้าเขาบกพร่อง โดยที่ความบุกรุ่งของเขาเนี่ยไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบภาพภาพลักษภาพรวมเช่นคนที่ละหมาดเนี่ยคนนี้ละหมาดรักษาเวลาละหมาดโอ้คนนี้รักษาเวลาละหมาดแต่ปรากฏว่าบางทีมีเดือนละครั้งสองครั้งเนี่ยอาจจะพลาดไอ้ครั้งสองครั้งนี้ไม่กระทบไม่กระทบลักษณะที่เรา <c oughs> ชีถ وب, ้ถึงลักษณะของเขาเนี่ยรักษาการละหมาด ยิ่งถ้าความบกพร่องของเขาเนี่ยมีอุปสรรคมีเหตุผลคือเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งใจที่จะทิ้งทิ้งละหมาดในครั้งสองครั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเรื่องพลาดหรือเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นไฟบังคับมันก็จะไม่กระทบแน่นอนเหมือนคนนี้พูดจริงไหมโกหกไหมโอ้ยคนนี้ไม่โกหกเลยแต่ ชีวิตเขาอาจจะมีโกโหกบ้างแต่ภาพรวมะนะใครๆก็รู้คนนี้นียไม่เคยไม่โกโหกเลยยิ่งถ้าเหตุที่เขาจับผิดว่าเขาโกหกเนี่ยอาจจะเป็นความเข้าใจของคนอื่นไม่ใช่เป็นการโกหกโดยเจตนานะอันนี้เราต้องเข้าใจว่า a l า a h Subhanahu ะ, ะแม้กระทั่ง มุนาฟิก <c ười> ีนละมุนาฟิกอันอัลลอฮฺบอกว่าบรรพาของเขาีนคือนรกเนี่ยไม่ด้หมายว่ามุนาฟิกีนและมุนาฟิก้เขาไม่ละหมาดว่าเรารู้กันดีนะครับว่ามุนาฟิกลิกสมัยท่านนบีเนี่ยที่อัลลอฮฺพูดถึงเนี่ยเขาก็ละหมาดกับนบีแต่การละหมาดของเขาเนี่ยไม่ได้กระทบภาพลักษณ์ของเขานีิว่าเขาเป็นมุนาฟิกแตนั้นตาช่างของเาสุภานวะตาแรก็จะก็จะมองถึงภาพภาพรวม ภาพรวมและนี่คือสุดยอดของความยุติธรรมแล้วมันเป็นตาช่างที่เราต้องมาใช้ซึ่งกันและกันไอ้ที่ม น, มนุษย์ด้วยกันนะผู้ศรัทธาด้วยกันนะ่ะนะก็ต้องมาใช้เราจะมองใครว่าเขามีลักษณะดีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีความบกพร่องก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องเอาความชอบความช่าง มาเป็นมาตรฐานชี้ขาดคนอื่นว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวเพราะมาตรฐานความชอบความชังของเรานี่มันใช้ไม่ได้หรอกเราชอบใครนี่ถึงแม้ว่าเขาเลวสามขนาดไหนอ่ะนะแต่แต่เราอยากจะให้เขาเป็นคนดีเขาเขาก็จะเป็นคนดีในใสายตาของเรานะเพราะเราเอาเรื่องความชอบของเราหรือเกียดใครเนี่ยเขาก็ไม่มีชิ้นดีเลย มันก็ไม่ถูกต้องท่านนาบีจึงตำหนิตำหนิสตรีผู้เป็นภรรยาที่ไม่เห็นดีเห็นงามของสามีที่เคยทำมากับเธอเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยพอได้สามีเนี่ยได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือทำให้เกียรติชังสักครั้งหนึ่ง เขาก็จะวุ่นนาวีตำหนิผู้หญิงที่พูดแบบนี้จะพูดว่าแกนี่ไม่เคยทําอะไรดีกับฉันเลยไม่เคยทําดีอะไรกับฉันเลยไม่เคยเลยเช่นเดียวกันบางทีเนี่ยก็พวกสามีนี่แหละก็พูดกับภรรยาแบบนี้เลยเธอนี่ไม่เคยเชื่อฟังฉันเลยไม่เคยต้อสามีเลยไม่เคยเลยมันก็เวอ่ย การที่เราไม่ยุติธรรมเลยไม่ยุติธรรมในการตัดสินในการพิพากษาปลอดภัยที่สุดนะเพราะเรานี่หมาถึงว่ามนุษย์เนี่ยจะมีมาตรฐานผู้พิพากษาที่ละเอียดอ่อนและมีความยุติธรรมที่ละเอียดอ่อนเนี่ยมันจะยากปลอดภัยที่สุดเนี่ยถ้าเราจะตัดสินใครเนี่ยถ้าจะตัดสิน แต่สินเขาเฉพาะเนืยองงานนั้นๆนะเฉพาะเรื่องนั้นๆนไม่ต้องตัดสินภาพรวมของเขาเพราะบางทีเนี่ยเราแค่รู้จักเขาเพิ่งรู้จักเขาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็เอบก็รู้จักกันละพอพี่ ไ, ไมาถาม่คนนี้เป็นคนดีนหะรยคนนี้ไม่มีไ ม, ม, ม, ม่มีดีเลยจากเขาเดือนเดียวบางทีในี่ส่วนมา ก, ก น, นะเราไปเรียนโรงเรียนอย่างเงี้ย เรียนกน็เพิ่งรู้จักกันเปิดเทอมเนี่ยเอารู้จักกันละเข้ามาหาอะไรเพิ่งเพิ่งรู้จักกันปีแรกเนี่ยอยู่กันเดือนสองเดือนมันไม่พอที่จะศึกษานิสัยเขานิรู้รู้เรื่องลึกลึกของเขาเนี่ยจึงไม่สามารถจะสื่นภาพรวมของเขาถ้าใครมาถามเข้อนี่อยากจะได้ให้อยากจะได้อ ภารพรวมของเขาเนี่ยเราต้องเราต้องขอมาเว่าวเราไม่สามารถตัดสินได้เพราะรู้จักแค่เดือนสองเดือนไม่พอ <c oughs> นี่ที่อัลลอฮฺซุบฮิฮฺอานุตฺอัลอาลดยบูงผู้ศรัทธาอายะก่อนนี่นี้ดำรงสิ่งกัลลมาดเราจะรู้ยังไงว่าเขาดำรงสิ่งกัลลมาดยังไงเราเร า, า Allah รู้ แต่เงเราเนี่ถ้าเราหคน น, นี้รักษาละหมาดเนี่เราต้องสนิทกับเขาขนาดไหนต้องละหมาดกับเขากี่ครั้งนะหรือว่าเจอเขาตอนเดินทางและเห็นเ้าละหมาดคนนี้เป็นยังไงเรื่องละหมาดโอ้ยละหมาดไม่เคยทิ้งเลยก็เจอเขาครั้งสองครั้งเนี้ยแล้วเราก็หุกลมเขานี่ถ้วบางทีเนี่ยข้อตัดสินของเรานี่เป็นผลเป็นผลถาวรคนจะมา ยกลูกสาวให้คนคนนี้แล้วเข้ามาถามเรารู้จักคนนี้แบบโอ้รู้จักสนิทรู้จักแบบสนิทเลยนะเขาดีใจดิโอ้สนิทเสดงว่ารู้ดีรู้ดีคนนี้ละหมาดเป็นยังไงโอ้ละหมาดที่เขาไม่เคยทิ้งเลยจบเลยจบเลยเขตาตต่สินใจเป็นเคยแน่นอนผลจากอะไรจากการที่เราได้การที่เราได้พ่พักษ า, าเขาแล้วว่เา เป็นคนดีจากความรู้จักประเดี๋ยวประดซึ่งมันไม่บอมหรือลักษณะตรงข้ามก็เช่นเดียวกันนะไปตัดสินเขาว่าเป็นคนเลวแล้วก็เพิ่งรู้จักเขาวนซื้ออย่างเงี้ยหรือบางทีเนี่ยไม่ใช่บางทีก็รู้จัก น, นานๆนะรู้จักนากรู้จักปีสองปีนะแต่เราไม่เห็นอะไรที่มันเลวซามเลวร้ายแต่มันมีเรื่องเดียวที่มันเกี่ยวกับตัวเราทาให้เราได้เกิดอคติ เฮยเธอถามฉันนะ่ะถามฉันนะี่น่ะรู้ดีเลยนะีฉันน่ะรู้ดีเลยคนนี้เนี่ยเจอกับตัวเองเลยครั้งเดียวน่ะเจอกับตัวเองเลยคนนี้นี่จบแล้วพรพราะมันบงับงเอิญบังเอนะิญบังเอิญเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเดียวที่เกี่ยวกับคนคนนี้โอ้เรื่องเรื่องตัดสินคนอื่นนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่พกวกเราทุกคนที่ต้องระมัดระวังนะครับ จตัดสินไขรว่าเป็นคนดีเป็นคนเลวเนี่ยไม่ใช่ยังไงเราต้องต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเราสัญญาว่าจะให้เขาเนี่ยเข้าสวนสวรรค์บรรดาสวนสวรรค์นี่งสัญญาที่เเนี่ยเนี่ยเาสัญญาอีกอนหนึ่งที่อราได้บอกว่าอินนัลลัฏนะกาลูรับบุญัลลอฮุธุมมัสต์คาม แทาจริงบรรดาผู้ที่ประกาศว่าพระผู้อภิบาลพระเจ้าของเรานี่คืออัลลอ์และยินยัดในคานี้แต่ตะนั่งจันาอะไรใหมลมาลยอกะตุนี่จะเสด็จลงมาบันปลายชีวิตเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยอัลลอฮ์จะข้ฟวและจะพ้นพวกเจ้าอย่ากลัวแอยศรอย่ากลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจาก ตายไปแล้วว่าล้วตาฮซนูเอะเศร้าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้อดีที่พวกเจ้าเคยพลาดไปแล้วไม่ต้องเศร้าว่าอับชิรุบิลจันนติอัลเลติคุณตุมตัวอุดุนเพึงทราบข่าวดีให้ทราบว่ามีข่าวดียันสวนสวรรค์อัลลตีคุณตุมตัวอุดุนที่พวกเจ้าเคยถูกสัญญาไว้นงี้ยเราสัญญาไว้ Um, มาอะก็จะมายืนยันในคําสัญญานี่สําหรับผู้ศรัทธานะก่อนตายก่อนตายนี่หมายถึงว่ายังมีชีวิตอยู่นะวิญญาณยังอยูย่ในร่างนะไม่ใช่ไม่ใช่ตายไปแล้วฮะแต่ตะนั่งะลงยคุณมาลยกันเดีลมาได้บอกว่าเนี่ยที่ทมาเลก็ลงมามาพูดคุยกับผู้ศรัทธา น, นี่มาแจ้งข่าวดีนี่แล้วก็เห็นมาเลยกันเนี่ยแต่ตอนมีชีวิตอยู่นะ และนี่ที่อุลามาเนี่ยบอกว่าและนี่คือเหตุผลว่ไม่ยิดผู้ตายบางคนเนี่ยถึงยิ้มยิ้มนี่เพราะได้รับข่าวดีได้รับข่าวดีแล้วทําไมถึงบางคนเนี่ยหน้าบึ้งก็เพราะรับข่าวไม่ดีอัลชาฮฺบิลจันนต์ละที่คุณทุมทุอาดูข่าวดีที่ส่วนสวรรค์ที่พวกเจ้าเคยถูกสัญญานนี้อัลลอฮฺสัญญา คนอย่งางพวกเราเนี่ยเราเราเนี่ยทุกคนก็อยากจะเป็บนเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้ศรัทธาที่ที่ถือว่าอ Allah ได้สัญญาไว้กับเราทำไมจงว่าไอ้ยานี่ไอย้าอายอานี่เราจะคิดคิดไหมว่าและและเราเนี่นยเป็นกลุ่มไหนอะเป็นกลุ่มโมนาฟิกีนหรือเป็นกลุ่ม ผู้มีนินทุคนทุกคนกค น, นี่ก็อยากผมคิดว่าแม้กครตังมุนาฟิกีนนะเขาก็เขาก็คงคิดว่าเอาเขาเาดีแล้วล่ะเาแจวแล้วคนเรายิ่งมีความสัจริงกับตัวเองนะยิ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสกับความหวังในตัวเองว่าอยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา ที่ได้รับสัญญานี้จากอัลลอฮ์หรือไม่นั่นประเด็นน่ประเด็นเฉียบขาดเลยนะอยู่ที่ว่าเราพูดความจริงกับตัวเองหรือเปล่าที่ว่ า, วาตัดสินตัวเองเนี่ยยังตรงไปตรงมาหรือเปล่าหรือเราเป็นประเภทที่ชอบตัดสินเข้าข้างตัวเองเพราะนนอุลมามะบอกว่าคนที่มีความสัจจะเนี่ย จะเป็นคนที่รับความจริงเร็วกว่าคนอื่นแล้วเขาเสนอทีฐานนะว่าคนที่รีบรับอิสลามและศรัท ธ, ธากับนบีเนี่ยคือคนที่คนที่เขาคนที่สดใสอะคนที่เขาสัต์จริงกับตัวเองไม่ไม่ไม่เข้าข้างตัวเองอบดุบบกคนแรกที่รับอิสลามว่าอะไรสุดดีกเป็นคนสัต์จริง ตรงไปตรงมา น, นั้นเรื่องเรื่องมารยาทที่เราที่เราจะต้องประพฤติกับตัวเองและมันจะมีผลเกี่ยวกับทุกเรื่องแม้กระทั่งในเรื่องความศรัทธาเรื่องทาความดีนะอย่างเช่นคนที่จริงจริงใจกับตัวเองเนี่ยถ้ละหมาด ถ้าเราจริงใจกับตัวเองสมมว่าเราละหมาดไม่ค่อยดีไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มที่แล้เราก็จะตัดสินตัวตัดสินตัวเองว่าเฮ้ยแกละหมาดไม่ดีเลยนะละหมาดไม่ใช่ไม่ได้เลยที่แกละหมาดที่มันใชไม่ได้ทําทำนิ่งไงแบบเนี้ยแล้วเราจะน้อมรับการตัดสินที่ตรงไปตรงมาแบบนี้แต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่เป็นแบบเนี้ยโอละหมาดแบบนี้หนูก็ดีแหละโห้ดีกว่าคนอื่นเยอะเลยโอ้จะจะ แบบนี้แบบนี้ไม่มีใครเลยมาแล้วก็มีสมัยซาวเวอร์ไม่กี่คนหรอกเข้าข้างตัวเองทุกอย่างแล้วจะทําทผิดละ่ะถ้าเราสัจจิงกับตัวเองผิดทําผิ ด, ผดได้ทำได้ไงเนี่ยตัวเองก็รู้มันบาปรู้อมันบาปแล้วน้อมรับอถ้าเข้าข้างตัวเองอะทาผิดเขาไม่ได้ทั้งใจให้ทั้ใจเฮ้ยคนอื่นก็กทํากันนะแต่เรายังยั ง, ย, งยังทำเบากับเขาอีกนะ แล้วก็พยายามหาเหตุผลความชอบอที่จะปลอบใจตัวเองอไม่จริงใจกับตัวเองแบบนี้ก็หลงง่ายไงเฮ้ยแกเป็นมุนาฟิกหรือเปล่ า, าเลยมุนาฟิกได้ไงคนยังชันนี่นะนะมุนาฟิกได้ไงจริงไม่แปลกนะว่าสารบัตรก่อนนันส่วนมากนี่เขาจะสงสัยตัวเองว่าเป็นมุนาฟิกหรือเปล่า เขาจะไม่ชอบชื่นชมตัวเองว่าเป็นผู้สตาร์ไม่มีไม่มีมมนิสัยแบบนี้ทนี้เวลาเรามาเอาแล้วก็เราตกลงเราเราก็จะสงสัยอันนั้นสมมติว่าเราทําเหมือนซอฮาบ้านีว่าเราสงสัยตัวเองว่าเป็นมุนาฟิกหรือเปล่าแล้วเราไม่มีสิทธิท์ที่จะที่จะปลอบใจตัวเองว่าเรา ได้รับสัญญาจากอัลลอฮ์ไหมมีแต่เราต้องทอมตุสัญญานี้สาคัญมากเป็นกําลังใจสาคัญมากสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนแต่เราต้องทอมตุลทอมตุลยังไงอะหวังว่าหวังว่าเราจะอยู่ในหมู่ผู้ศรัทธาที่เขามีสิทธิ์มีสิทธิ์น้อมรับสัญญาจากอัลลอ์หรือจะรับ แจ้งข่าวดีจะมาอะไรากรัและคำนี้นะจะไม่นะคำนี้นะจะไม่ดีนะใช้ไว้กับทุกสิ่งที่เป็นการยกย่องสรเสริญถ้ามีใครมาสรเสริญมายกย่องเรามามาชื่นชมมาอะไรนี่นะมไม่ผมไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหแต่หวังว่าเป็นหวังหวังว่าจะเป็นแบบนั้นหวังว่าเป็นแบบนั้น ไม่ใช่ว่าเขาชื่นชื่นชมโอ้ขอบคุณที่ชื่นชมซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นคำตอบรับที่คนไทยเรานี่มักจะใช้กันงเวลาชื่นชมอขอบคุณมากที่ชื่นชมนะสลิมต้องอมตนมากกว่านั้นใครชื่นชมนี่ ว่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เลยแต่หวังแต่ในใจนะเราพูดนันเราหวังว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนหน้าคนโอไม่ใช่หรอคนคุณดีมากมันโอไม่ใช่เลยผ่ไม่ใช่เมมชงินผมเป็นคนแย่มากก็เลยสำหรับก็จะเป็นแบบนั้นทําไมเราพูดแบบนี้เนะี่ยเพราะเพราะไม่มีมุสลิมมีสิทธิ์ที่จะตัดสินตัวเองตัดสินคนอื่นฟันธงว่าเป็นชาวสวรรค์ ชานรอันนี้เป็นอาคีนักของสุนน์และจาระห์เราจะไม่เป็นสกีพยานฟันธงชี้ขาดว่าคนคนหนึ่งเป็นชาวนรกหรือคนคหนึ่งเป็นชาวสวรรค์ไม่ตัดสินใครไม่ตัดสินแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ตัดสินเราตัดสินตามที่อัลลอฮฺอัลลรูลตัดสิน ถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์อันนี้แน่นอนฟันธงได้เลยนบีบอกว่าสานหามาคนนู้นคนนี้สิบค น, นนี้เป็นชาวสวรรค์นี่อันนี้ฟันธงได้แต่คนอื่นนี่ฟันธงไปได้ถึงแม้ว่าเราเห็นแกตาแล้วก็มั่นใจว่าเขาดีดีขนาดไหนอ่ะนะก็ต้องบอกว่าหวังหวังว่าหวังว่าเขาจะเป็นเชาวเป็นชาวสวรรค์แลแต่มีคนแบบว่าเลวซา ม, มากแล้วก็ ก็จะฟันทง่าเป็นชานรกไม่ได้จะบอกว่คนนี่โอ้ยคนนี่นี่นะไม่ต้องใช้กุญแจเข้านรกรอกันธงได้เลยไม่แล้วก็จะพูดเราก็จะพูดด้วยคําศัพท์ที่มันเผื่อนิดหนึ่งเกรงว่าเกรงว่าถ้าถ้าแบบนี้นะเกรงว่าเดีจะเข้านรกนะต้งตง ต, งต้องเผื่อต้องเผื่อเพราะเราไม่มีสิทธิ์ไงเรื่องสวัสด์เรื่องนีเงเง้เราไม่มีสิทธิ์ แต่เรามีสิทธิ์ที่จะคาดหวังที่จะมีความหวังที่จะวิงวอนที่จะร้องขอต่ออัลลอฮ์ سبحانه และก็สัญญาของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ต่อผู้ศรัทธาว่าจะให้เข้าสวรรค์นั้นเราก็จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ขอให้เราขอให้เราได้มีสิทธิ์ คบกับสัญญาของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านได้สัญญาไว้กับผู้ศรัทธาเช่นเดียวกนใช่ชนะที่อัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้กับเบาของพระองค์อัลลอฮ์กัสซับักัด كلمةنا لعبادنا المرسلين إ ه لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ใช่ชนะอัลลอฮ์บอกว่อัลลอฮ์ใหล แมกระทั ن ن ่งนบีเนีนสงครามบัตรขอนบีไม่มีมากกว่าสบายใจได้เลยไม่มีปัญหาอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วนบียกมือขอด้วยล่ำม์มนา صرك الذي وعطني อูอัลลอฮ์ชชนะขอให้ฉันได้รับชัยชนะที่พระองค์ท่านสัญญาไว้กับข้าพเจ้าสุนขอ ขอเี่แสดงว่าเราไม่มีแสดงว่าเรารู้ว่าเรายังไม่มีจนกว่าอัลลอจะอนุญาตจนกว่าอัลลอจะให้ขอสวค์ผนะู <c oughs> ้ศรัทธานี่นะี่ที่ทาอะไรนะตะกี้เนี่ยก็คือละหมาดสะกาเชื่อฟังอัลลอฮนมีสามอย่างลนะหมาดสะกาดเชื ar, ่อฟังอัลลอฮดูนิดหน่อยนะแต่มันก็แแรายละเอียดมันก็ไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺหมายถึงว่าในทุก ค, คาสั่ง มันก็จะมีรายละเอียดมีดีเทลอื่นๆด้วยที่เราต้องศึกษาเชื่อฟังอัลลอฮ์เราซูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ว่าเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์เราซูลและเราเชื่อฟังและไม่มีเจตนาฝ่าฝืนดื้อดึงท้าทายอัลลอฮ์เราซูลหวังว่าจะอยู่จะอยู่ในประเภทที่เชื่อฟังอัลลอฮ์เราซูลหวังว่า จะอยู ي ي ي ب ب ่ในมระเภทที่ชืบอัง Allah Rasul และจะมีและะมีสิทธิที่จะหวังเข้าสวรรค์ที่ Allah Subhanahu wa t a สัญญาสวนสวรรค์จันทน์ต้นบรรดาสวนสวรรค์เจริญมิ่งใต้แห่งอันฮาร์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นสวรรค์นี้ก็คือสถานที่นะสถานที่ และใต้สวรรค์ น, นั่นน่ะมีแม่น้ำอุลหมาได้บอกว่าแม่น้ําในสวนสวรรค์นเนี่ยมันไม่มีลําอ่ะมันไม่มีมันไม่มีมมมช่องช่องวิ่งน้ําของของแม่น้ําอ่ะอาแล้วก็เป็นแม่น้ํำยังไงเขาบอกวแม่น้ำนนํำนี่น้ํำนี่มันวิ่งมันวิ่งในอากาศอะเออ สายน้านี่มันวิ่งโดยที่ไม่ได้มีมันไมไ่วิ่งในในพื้นดินนะลองนึกภาพนะแล้วสวรรค์นี่มันจะอยู่ตรงไหนนี่เรา จ, จินตนาการไปเหอะแต่มันก็คือเรื่องประหลาดมากไนงะเรื่องที่มันไม่มีในโลกนี่หนะึ่งเคยเห็นที่ไหนอะ่ะคลองแม่น้ำไม่มีลของมันไม่มีแน่นอนและนี่คือนี่นี่ทีอ่อับดุลละมีอับบัสบอกว่าในส่วนสวรรค์เนี่ย <c oughs> มีแต่บรรดานามและชื่อที่อยู่ในโลกนี้แต่เนื้อหาของมันนะแมมันไม่เหมือนในสวรรค์ในมีทัพทิมมีอังมุนถูกแล้วนะเพราะฉะชื่ออย่างเดียวทัพทิมที่นู่นน่ะไม่เหมือนทับทิมในดุนยาอังมุนในสวรรค์ไม่เหมือนองมุนเช่นเดียวกันเนี่ยแม่น้ําเป็นยังไงไม่เหมือนแม่น้ําเป็นน้ํานม แม่น้ําเป็นน้ําพึงพ่งน้ําพึ่งคือคนแค่คิดนะน เ, นเนี่ยแม่น้ํำเจ้าพระยานี่เป็นน้ําพึ่งคิดดูดิแล้วน้ําพึ่งเนี่ยมันมั น, ม, นมันขุนจะจะวิ่งไปน้ํามันจะช้าไหมในเะวลาเราอ้ในเวลาเราทเทน้ําพึ่งดิโอ้ยรำคาญมากแต่มันช้าเลยกันว่ามันกว่าจะออกนะแล้วก็ น, น้ําพึ่งนีนในสวรมันจะเป็นแบบมันจะช้าแบบนี้นะชาวสวรร น, นี้ไม่ทันใจเนะ่ น้ำพึ watering, ่งนี <s <s <s ่มันมันกว่าจะมันคงไม่ใช่ไงคนละเรื่องไงไม่เหมือนกันอันฮาร์หลายสายหลายสายนี่ในสุนัมุฮัมมัดยอมรับชนิดชนิดบางชนิดของแม่น้าในสวนสวรรค์ที่มีนะอันฮารุมมินมเอโนยดีาสน้ำที่สดใสน้าสดใสไม่มีการเปลี่ยน สีไม่เปลี่ยนกลิ่นไม่เปลี่ยนทิงแม้มันจะวิ่งในสวนสวรรค์เนี่เป็นพันเป็นล้านปีนะมันก็จะไม่เปลี่ยนลักษณะมิลเลบันินเลมย์จะเปลี่ยนตัวมูน้ำนมไม่เปลี่ยนอันฮารุมินขมรินแม่น้ำสุราซูราบรนดิฟอตกา ได้ยินแต่ชื่อนะไม่รู้เรื่องมันเป็นยังไงแ ต, แต่เทียบไม่ได้เหมือนกันนะครับสุราในสวนสวรรค์นี่กินแล้วไม่เมาไงกินแล้วไม่ปวดหัวกินแล้วไม่ไม่อวกแต่ได้มีความสุขมีความอริดอร่อยของการดื่มสุราที่ทุกคนเนี่ยที่เคยที่เคยรู้ในว่าสุรานี่มันอร่อยยังไงอะไรเนี่ยของสวรรค์นี่อร่อยกว่าแต่ผลไม่ดีของมันนะนะ ในสวรรค์นี่มันจะไม่มีนั่นแหคือหลายสายคอลิดีนฟีฮาโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลอยู่ในสวนสวรรค์ตลอดกาลมัมาซาคินตอยบัแล้วเขาจะอยู่ในบรรดาสถานที่พัมนักอันดีสถานที่มาซาคิน มาแกินพระโหพุธเอกพจน์ของงันเนี่ยมัสกันมัสกันเป็นที่พำนักที่อาศัยที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสงบและจากรากศัพท์เนี่ยคำว่าสกีน่สกีน่เนี่ยคำสกีน่าเรยกว่ความสงบก็มาอย่างนั้นเนี่ยมัสกันเนี่ยคือที่ที่เราจะมีความสงบ เน่นอนพอเราเข้าบ้านเราเนี่ยกจ็จะรู้สึกอบอุ่นมีความสงบมาสกันมซาซทกินมาแทกินที่พำนักตอยีบะตอยิบะอันดีดีท่นดิเรกในหนังสือกุราอ่านมัจดเนี่ยเขาจะใช้คำว่าที่พำนักอันสุขคารมเคยได้ยินไหมสุขคารมเออ สวยดีนะสุขารมณ์มาสากินะตัยยิบันหมายถึงว่าที่พำนักนั้นน่ะมันอยู่ในสวรรค์มีรายละเอียดในสุนนะและกินในคำพูดของสุฮาบะว่าที่พำที่อาศัยอยู่เนี่ยว่าเป็นวังหรือเป็นบ้าน <c oughs> หรือเป็นห้องในกุริอนนี้ก็มี ว่าเขาอยู่ในบรรดาห้องอูรูแฟตินห้องและในส่นหน้าของท่านนาบีนี่ก็บอกบรรดาห้องนี่บรรดาห้องนี่เพดานและผนังของมันนี่เปรียบเป็นไข่มุกเป็นไข่มุกบางเรายงานหะดีสก็บอกว่าทั้งห้องและก็บ้านและวังเป็นทองคำหรือเป็นเงินเพชรพลอย แต่ทั้งหมดนี้อยู่ไหนนะฟีจจ น, นา่าทีอดินินทีพ่พำนักอันสุขารมเนี่ยซึ่งอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์เนาตินสวนสวรรค์อดนินอดนินที่นี่เขาแปลว่าความวัฒนาสถาพรแห่งความวัฒนา ส, สถาพร ต้องอธิบายคำว่าอาดนินรักสของมันเนี่ยในภาษาอ раб เนี่ยคือก่อนอืน่นอุลามาส่วนมากบอกว่าอาดเป็นภาษาอับเพราะมาจากแรกสรอาดนะอาดนอาบิลมากานอาดนาไปว่าพำนักอยู่ตลอดกาลทำนักอยู่ตลอดเขาบอกว่าสถานที่ที่เราจะพำนักอยู่ตลอดกาลนี่ก็คือ <c oughs> อาดน แล้วก็เลยตั้งชื่อสวรรค์เนี่ยสวรรค์แห่งเนี้ยัอันสถาพรสถาพร น, นี่ก็คือก็คือตลอดการเหมือนกันแต่มีอุลลัง์ท่านบอกว่าอัตเนี่ยมันเดิมเนี่ยรากศัพท์ของมันเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาแล้วแล้วเขาบอกว่าในในคัมภีร์อื่นๆก็มีเอเดนนเอเดนนะสวรรค์เอเดน แสมันมีมันมีก่อนหน้านี้ถ้าเป็นไปได้มัก็เป็นไปได้เหมือนฟิรดส์ฟิรดส์นี่มีความขัดแย้งว่าเออตกลงมนภาษา阿่伯แต่ฟิรดส์เนี่ยทศนะอลมารอนมากว่าไม่น่าจะเป็นภาษา阿ก็มีที่มีคำว่มีพ a r a d i e เนี่ย a s ใช่ไหม p a ร a d i s e ก็คือฟิรดส์นี่แหละ paradise เป็นชื่อสวรรค์เลยก็เป็นไปได้นะว่าอาดเนี่ยก็อาจจะมี ชื่อนี่แหละและอันนี้อันนี้ถ้าถ้ทาทศน์นี้เนี่ยมีน้ำหนักนะมันก็จะชีวะ้ว่าเนื้อหาที่บรรดานบีรอซูลมาเผยแพร่นี่นะมันเนื้อหาเดียวกันเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันไงคือถ้าหากว่าแหล่งความรู้แหล่งข้อมูลเนี่คนละคนละพระเจ้ากันเลยนะมันจะไม่ตรงกันนบีคนหนึ่งบอกว่าชื่อสวรรค์เป็นอย่างงู้ แต่นี่นบีนบีมูซานบีซานบีมุฮัมมัดเนี่ยทำไมทั้งหมดเรียกถึง p ร r ได i s e นี่แสดงว่าแลนด์ตอนที่สหายไปอพยพไปฮาบาชาและก็ชาวกูรชก็ส่งตัวแทนจะได้ไปใส่ร้ายใส่ร้ายมุสลิมที่อพยพไปอยู่ที่ฮาบาชาเขาก็เลยขอมาโต้กับมุสลิม นายาชีกษัตริของอาาังกฤษเนี่ยก็ขอให้มุสลิมได้เสนอ <c oughs> เสนออิสลามของเขาก็เสนอแทางกูได้ยินก็บอกว่านี่เขาเขาพูดว่าเขาพูดว่านบีซานนี่ไม่ใช่พระเจ้าไม่ใ ช, ช่เป็นพระบุตรเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาซึ่งซึ่งเป็นความเชื่อของคริสต์ออโตด็อกที่ตอนนั้นนะ่ะ ที่ฮาบชาเนี่ยที่อิตูเบนั่นก็เป็นก็เป็นคริสต์โอโทดุกแต่บังเอิญว่านาจาชีเนี่ยไม่ใช่กษัตริย์ธรรมนาดาเดิมเนี่ยเป็นบาดหลวงเดิมเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เขาก็เลยถามซาบะเสนอมาไหนนี่ว่าเนี่ยที่อิสลามว่าไงเกี่ยับนบีอิสเกี่ยวกับอิสสเกี่ยวกับมารยยมเนี่ยเขาก็เลยเสนอนาจาชีพูดยังไงพวกบาดหลวงนี่เขาก็ไม่พอใจเนี่ยเพราะ ความเชื่อไม่เหมือนกันแต่ตัวเขานี่ก็มีความรู้จริงนะเขาบอกว่าฉันขอยืนยันว่าสิ่งที่พวกเจ้าพูดเนี่ยกับสิ่งที่อยู่แท้จริงที่อยู่ในไบเบนนะิลและในอินทรีย์แลนะนมาจากแหล่งเดียวกันเขาใช้บอกว่ามีมิชแกลตินว่ามาจากตะเกียงเดียวกันหมายถึงว่ามันมีแสงสว่างที่คล้ายคล้ายคลึงกันนะ่เรื่องจริงเพราะอัลลอฮ ไดตั้งสมมติฐานกับท่านนบีซอลลอฮฺวาเลือสลัดอิงกุ้นแต่ฟีชักกินถ้าเจ้านี่อันนี้แค่ตั้งสมมติฐานถ้าเจ้านี่จะมีข้อสงสัยใดๆมิมาอันぜลนาอิเลยกะในสิ่งที่เราได้ประทานยังเจ้าอูมห์มหมัตฟ fasalilladīna q ก r a u n a alkitābāmin qablīk ้เจ้าจงไปถามคนที่อ่านคัมบีรรุ่นก่อน คนนี้ก็มีความรู้เรื่องคมภีร์เรื่องก่อนเนี่ยเจ้าจะต้รู้ว่าเนี่ยเนื้อหาของคุณอ่านนี่มันสอดคล้องกับเนื้อหาคมภีร์ที่มาในรุ่นก่อนแต่เรื่องเจเนติอาเดนินเนี่ยสวรรค์ที่มีชื่อว่าอาเดนินเปรากฏว่าเป็นชื่อสวรรค์ที่ซอฮาบะบางท่านเนี่ยอับดุลลอฮ์บินมุสอุดแล้วก็ตบิอีนสาลฟ์หลายท่านเนี่ย ได้บอกว่าสว่วนฉันอัดน น, ดนัดนอ่านนี่มันจะอ่านยากเนานสำหรับเราเนาะสำหรับคนไทยนะแต่ถ้าเราอ่านเนี่ยเราก็ไม่ต้องอัดนกะก็อดนันอานดันไปเลยนะจะได้จะได้ไม่ยากาายาคือภาษาอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเอเดนมันก็คล้ายๆกับเมืองเอเดนนี่นนที่ยเมเน น, น ไอเมียนเนี่ยก็ถ้าอาหรับเนี่ยเขาจะเรียกอาดันอาดันเมืองอาดันนะแต่ที่มาของเมืองนี่นะก็คือนี่แหละจัน้ตัวอาดนินเจาเรา จ, จะอ่านนี้จะอ่านยากหน่อยนะอาดินอาดนอาดนุอา ด, นอดนิ น, ด น, นประมาณนี้สวรค์อดนุนเนี่ยมันคือสูงสุดของบรรดาสวนสวรรค์ แล้วก็ฟิร์ดาวสละ่ะแล้วตกลงเวลาเราจะขอเข้าวสวรรค์ชั้นสูงสุดเนี่ยจะขอเข้าอันไหนอัดโนนหรือฟิร์เดอุสมาดูมาดูหน่อยถ้าซอฮาบ้านีซอฮาบ้านบางท่านเนี่ยได้บอกว่าสวรรค์ที่ หลังคาของมันเนี่ยคือบัลลังก์ของ Allah, อ, อัลลอฮฺเนกาฮฺอาตฺแต่พระคุว่ามันมี hadis ของท่านนาบีสุลต่านเลวซัลลัมที่ได้บอกว่าฟิร์เดอส์ตัางหากที่หลังคาของมันหลังคาของมันนี่ก็คือบัลลังก์ของอัลลอฮฺสุบฮานะแต่แสดงว่าสูงสุดของสวรรค์บรรดาสวรรค์นี่ก็คือฟิร์เดสอดส์ยิ่งคําสั่งชัดที่มีในตัวบทนะก็คือให้เราเนี่ยได้ขอชื่นฟิร์เดอส์เมชาต ماشي ج ن ا ت عدن. يبندكم إمام بخاري لمسلم رن عدن أبو هريرة تنبي تن ن صلى الله عليه وسلم قلها. من آمن بالله ورسوله فودى ستعطى الله الرسول وأقام الصلاة د م ر كلمها وصام رمضان ت س ي ر در رمضان فإن حقا على الله. เป็นส <formation> ิท <ية> ธิท oh ี่อัลลอ์ سبحانه แะ تعالى จะต้องหักกันสิทธิที่อัลลอฮ์จะต้องมอบให้เขาเนี่ยอนุเดชีลาอุลจันที่จะให้เขาเข้าสวรรค์ทากี่อย่างนี่สัตว์อัลลอฮ์ลดารงซึ่งการละหมาดถือสิ่งหนึ่งดยมตสิทธิที่อัลลอฮ์จะต้องมอบให้เขาเนี่ยนะเข้าสวรรค์ฮะจัรฟี سبيل อัลลฮ เขาจาละลสในอที่ ل د ถึงแม้ว่าเขาจะอพยพบในหุนตางอัะหรือจะไม่อพยพบจะพำนักอยู่ในแผ่นดินที่เขาแผ่นดินเกิดของเขาและแน่นอนเป็นที่รู้กันโดยปริยายเนี่คยคนที่ไม่ได้อพยพบก็จะไม่มีบทบาทในการจิหาดต่อสู้ เข้ากับนบีบอกว่าศรัทธาต่อลรารสูลนำรงซึ่งกันและมาถึงสิณดนี้เข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าไม่อบพยพถึงแม้ว่าไม่ได้ทำการจิห์ขกอลวยาสูลอลลอฮ์สาาั่ะบอกอะไรทำดันน บ, บีอัฟลาโนบิรุปข่าวดีนี่ข่าวดีอัฟลาโนบิรุนนาส่ให้เราไปแจ้งข่าวนี้ให้ผู้คนให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ไหมก็และ ผมบอกว่ามง่านมุมวมกได้แหละแต่อินในฟิลเจนเนติมีอัรอจาในสวนสวรรค์นี่มีร้อยตำแหน่งร้อยตำแหน่งอัลกดะฮัลลอฮอัลลอฮฺตรีมวยอัลดะฮัลลอฮฺตรีมวยลิล mujahidin ในสบิลิสำหรับคนที่ต่อสู้ j ิ h า d ในหุ่นทหางประโคมใบในกุลีต่ระจานี้ระวังทุกสองตำแหน่งมีร้ยตำแหน่งนะ ระหว่างหนึ่งตำแหน่งกับหนึ่งตำแหน่งเนี่ยเสมือนบระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินเพียงสองตำแหน่งนี้นะห่างกันเท่ากับฟ้ากับดินอันนี้ร้อยตำแหน่งสำหรับมุจฮิดีนและคนที่ไม่ด้จิหาล่ะก็อยู่ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ร้อยตำแหน่งนี้ มี่แค่มูจาอิดีนนัะ่คือคนที่ต่อสู้แล้วเสียสละเนี่ยก็มีเสียสละไม่เท่ากันไงเพรานะน่ยคนที่ต่อสู้เสียสล่ะเต็มที่นั่นน่ะอยู่อยู่ในตำแหน่งที่ร้อยของมูจาอิดีนคนที่มูจาอิดีนเหมือกันนะต่อสู้น้อยกว่านี่นะก็อยู่ตำแหน่งที่หนะ้สิมมติน่ะห้หรือ99หรือหรือ89ระหว่างแต่ละตำแหน่งเนี่ยระหว่างฟากะดิน อนี่แค่มุจ่าฮีดินด้วยกันนะนะาดกัดินนะแลวก็คนที่ไม่ใช่มุจ่าฮีดินเลยล่ะห่างกันแค่ไหนห่างกันเยอะดิ فإذاسألتم الله และในเมื่อพวกเจ้าจะวอนขอต่ออัลลอ์ม่ไถึงว่าขอเข้าสวรรค์เนี่ย فسألوه الفردوس ก็จงข้ ن ข้ ق َัْ شَنْ ف ِ ر ف, ف, ف, ف ันนนุอัลลัลจันน์และอัลสตุลจันน์เพราะฟิร์ดาวสเนี่ยเป็นชั้นสวรรค์สูงสุดวละอัลสตุลจันน์เนี่ยภาษาอาหรับนี่อัลสตุนี่ไปว่าดีที่สุดและอีกความหมายหนึ่งอลสนี้ไปว่ากลางกลางแต่ความหมายของคำว่ากลางนี่คือดีดีที่สุดอัลลอฮ์บอก وال ักษะของอุมาเน وكذلكجعل لكم أمة وسطة رأني بن بشات اللهيرأني بن بشات กลางกลางนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าโดยตําแหน่งนะไม่หมายถึงว่าโดยคุณลักษณะกลางนี่ก็คือมีลักษณะที่ที่ดีที่สุดว่ามิหนูแต่ฟัลจรอัรุจแม่น้ําของสวนสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยต้น ตัวของวันนี่มาจากเอลฟิร์เดอส์ว่า faruqahu عرش ا ل ر ح م แล้ก็ะกะบนฟิร์เดุสเนี่ยข้างบนเนี่ยก็ ค, คือบันลังและะ้วแสดงว่าหลงังคาของฟิร์เดอสนี่ก็คืคอก็ ค, คือบันลังของสวรรค์อันนี้เป็นตัวบทที่จะฟันธงได้เลยนะครับว่าสวรรค์ชั้นสวรรค์ที่สูงสุดนี่ก็คือฟิร์เดอสและท่านอับุีก็บอกว่าอย่างชัดเจนว่าถ้าจะขอนะ ก็ให้ขอชันฟิรดาสอันนี้ก็จึงเป็นข้อสรุปแต่ไม่ได้หมายรวมว่าในสวรรค์จะไม่มีชั้นอื่นที่มีความประเสริฐมีความงามก็มีมีความงา ม, ม, ม, า ม, งามและสิ่งที่ท่านนาบีพูดถึงฟิรดาสถึงอาดันเนี่ยว่ามีวังเป็นทองคำสาบาบางท่านตุลาเป็นหัวซว่บอกว่าอาดันเนี่ยเป็นวังในสวรรค์ทองคาจะเป็น ที่พำนักสำหรับบรรดานบีรสรูลและ شهيد เท่านั้นก็เป็นไปได้ว่าอดัเนี่ยอาจจะเป็นที่พำนักที่วิเศษในชาญฟิร์ดาวส์ก็ได้ในชาญฟรดาวส์ทั้งนี้ฟรดาวส์เนี่ยฟรดาวส์ เป็นชั้นสวรรค์สูงสุดสำหรับมนุษย์ทั่วไปแต่มีอีกชั้นหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งสูงกว่าฟิรดาวสอาแล้วทำไมนบีไม่บอกละ่ะนบีบอกมีตำแหน่งที่เหนือกว่าฟิรดาห์สแต่ตำแหน่งนี้นนบีนบีหวังว่าจะเป็นตำแหน่งของท่าน เพียงผู้เดียวตำแหน่งนี้เร pues, mm ียกว่าอัลวอซีละมีแต่ม่มีสิทธิ์พวกเราม่มีสิทธิ์อาจจะมีสิทธ์นะเราอาลัมนะจะอัลลอฮให้นะอาจจะไปเยี่ยมนบีได้ไปเยี่ยมเข้าไปในวซีละเนี่ยไปได้แต่จะเป็นของเรานะ no way نبيتة بعوضة إن في الجنة لا منزلة ا صحيح بخاري ناسون سوى أن ي مي منزلة مي ت م ن لا تنبغي لأحد من عبادي ما يسمحون. ว่า่ข้ว่าจะเป็นคนคนนั้นน่ะยังใช้คํา่าจะจะเรื่องวนสีแนละดังนั้นพวกเจ้านี่ขอช่วยขอดุตาให้ฉันได้รับตาแหน่งวสิละ กาสรุปแล้เาวนว่าในลิสรายชื่่อทีัจะหเขาาาาล่บอกวววได้นับสิทธิว ลังอะไดนี yeah. ้ก็เยลืมขอาวันนอมาระบบฮาดีดเอะดะอิตะมวัสลาดัลกาิมะติมูฮัมมัดิลวะซละตะวัลฟดีละวซละ์ดนบีทุกขังที่มีอาานเท่าที่ทำได้นะขอดออาให้นบีหวังว่าเราจะได้อยู่ในบรรดาผู้ที่นบีจะชฝาในสวรรค์ มีบรมมาสุขที่ไม่มีที่อื่นความสุขที่เราเตรียมไว้ในสวนสวรรค์ไม่ใช่ความสุขที่จะสัมผัสด้วยด้วยกายและสรีระเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เอาน่ได้ยกตัวอย่างในในในคุรอาหรือที่ท่านนวีได้บอกในหนังสืเกี่ยวกับความสุขเนี่ย มันก็คืออุทาหรณ์และตัวอย่างเช่นอาหารผลไม้ความสุขความสุขที่ที่เราจะได้จากบรรดาภรรยาหรือสามีที่จะร่วมอยู่ด้วยกันในส่วนสวรรค์หมายถึงว่าเป็นความสุขทางเพศนะซึ่งเป็นความสุขที่เราต้องยอมรับว่าเป็นความสุขที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการอยู่แล้ว แต่ในสวรรค์นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามันจะมันจะคือสูงสุดของความสุขแต่นี้มันก็ยังเป็นตัวอย่างหมายรูมว่าอะไรหมายรู้ว่ามันจะมีความสุขที่เหนือกว่านั้นพูดพูดด้งไงอะไรที่อัลลอ์พูดโอ้ oh, สวรรค์เ น, น, นี่ยมีผลไม้นู่นนี่นั่นะมีมีนางสวรรค์มีอะไรใช่นั่นคือตัวอย่างของความสุขแต่มีความสุขที่มากกว่านั้น นี่ที่อาอกวาดรดวนุนมิ่อัลลอฮ์อักบาร์เขาส่วนเงาหนิก็คิดสุดยอดของของความสุขบรมสุขในสวรรค์อยู่แล้วนะแต่มันมีที่ยิ่งใหกว่านั้นก็คือและความความปิธิยินดีจากอัลล์นันนันยิ่งใหญ่กว่ารดวนุนมิ่งอดวนทุกคาภาษาอ р а เนี่ย ที่ถูกร่างด้วยท้ายของมันเนี่ยมีอลิฟและกะนูเ น, นเนี่ยนออเนี่ยริด่วนมีอลิฟและนูนพ่ออะไรพ่อรากศัพท์เนี่ยคือริโดริดอันนี่ก็แว่าความความปิติริดอนี่ความปิติความยินดีความพอใจนะถ้าจะเต็มไปด้วยความพอใจเนี่ยจะริดว่วน ภาอานีนะอิมชาอิมชับยาลตอิมากะชบงานฮิวจอฮิวมาจาวานรหายน้อาติชาคหายนมากฮนมากะอชานริวานก็คือความพอพระทัยที่อัลล พอใจมากแล้วพอใจมากแล้วพี่น้องลองคิดดูสิคือบางทีเนี่ยเรารู้จักใครเนี่ยถ้าสนิทกันมากแล้วเนี่ยเขาจะให้อะไรกับเราเนี่ยไม่เท่ากับไม่เท่ากับเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยยินดีกับเราเขาเต็มที่กับเราเนี่ยแค่นี้เราก็พอแม่เราหน่นะ จะให้ตังไม่ให้ตังเหมือนแต่แต่พ่พอแม่เนี่ยพอใจเราแล้วยเรก็โหดีสุดยอดแล้วเพื่อนเราอย่างนี้ถ้าเพื่อนเราเนี่ยเขาเต็มพี่กับเรานี่หมายถึงว่าใจเขาเนี่ยใจถึงกับเราขนาดไหนอ่ะนะถึงแม้ว่าเพื่อนไม่ได้ให้ตังไม่ได้ของขวัญไม่ได้อะไรเราก็ถือว่าเขาสุดยอดเพื่อนของเราแล้วพระเจ้าของเราเนี่ยเขาจะพอใจไม่หยีพอใจธรรมดาหรือดวานุมมินอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพอพระไทยเต็มพี่กับเราแล้ว ฉะ น, น, นั้นใ น, น, น, น, นบันทึกของบุค h รีท่านอบินสัลลัลลอฮฺวะซัลลัลลําบอกว่าอัลลอนี่จะจะไปเยี่ยมชาวสวรรค์แล้วจะถามชาวสวรรค์พวกเจา้ า, จานี่พอใจเรียกพวกเจ้านี่พอใจเรียกชาวสวรรค์นี่ก็จะตอบเสียงเดียวกันแล้วพระองค์ท่านนี่ให้เรามีบรมสุขอย่างนี้มีความสุขมี อาามปรดบางยิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยแน่นอนเราพใจแล้วที่เราอลมดยลวเรองอัลล์ก็จะบอกว่าแล้วพวกเจ้าอยากได้ไม่อะไรที่ยิ่งกว่าบรมสุขที่พวกเจ้ากำลังเสพสุขกันนันเนี่ยมีด้วยที่ความสุขในสวรรค์นี่มันมีด้วยอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้เนี่ยอัลล์บอกว่าอุลลุอุมริฎวานีฟาอััตุอุมอับดมีที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขในสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยความพอพระทัย การยิ่งใหญ่ของาและข้าจะไม่กริ้วพวกเจ้าตลอดไปยังไม่มีโอกาสที่อัลลอจะจะโกรธจะกริ้วอีกแล้วพอใจพอพระทยัยต่อชาวสวรรค์หรือวา่านี่คือความสุขอย่างหนึง่งในส่วนสวรรค์ที่จะรู้ว่าอัลลอสุภายนะอวดาละพอใพจต่อเราแล้วหนึงน่งในความสุขนะอีกความสุขก็คือ เห็นพระพักของมันหรอเปรียเทียบแล้วมีอาจารย์ผมหนึ่งก็เคยเคยฟังคุตุ๊บ้าเข้าเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบนะว่าบางทีเนี่ยตัวตัวบทนี่ไม่ได้ไม่ได้เปรียบเทียบแต่เปรียบเทียบมันก็จะได้เข้าใจเขาบอกว่าเนี่ยเราบอกว่าจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลไี่เบื่อหรอ ยู่เป็นลลลลลลลนไ่เบื่อเหรอพระองค์อาจารย์ก็อธิบายเบื่อได้ไงกับนางสวรรค์นี่มีกี่คนน่ะมีกี่คนเราเยอะแยะไปหมดนางสวรรค์นี่นะแค่ผ้าเช็ดหน้าของชาวสวรรค์คนหนึ่งที่ท่นในวัวชาวสวรรค์คนหนึ่งมีผ้าเช็ดหน้าที่ใช้กับ นางสวรรค์นในสวนสวรรค์นเนี่ยแค่ผ้าเช็ดหน้าของเขาอ่ะนะมีความดีงามสวยงามมากกว่าความสวยงามที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเลยอันนี้แค่ผ้าเช็ดหน้าของเขานะแล้วก็ตัวนางละ่ะโอกก้ก็เป็นไปได้ว่ะพอเข้าสวรรค์นเนี่ยเจอนางสวรรค์นเนี่ยท่านแรกเนี่ยก็ชะงักสักล้านปีเนี่ยความสวยงามานะเออบางทีเนี่ยในโลกดุนัาเนี่ยเราก็มีนะพ่อ พอเห็นอะไรสวยๆเอ๊ะช็อก ช, อชอเห็นแล้วก็ช็อกช็อกสัตวังเฮ้ยเฮ้ยเฮช็อกสวรรค์นี่ก็เป็นไปได้ไหมอันนี้แสนปีแสนปีน่ยก็แค่มีความสุขในการเห็นอะไรสวยงามที่และแน่นอนความสวยงามอ่ะสวรรค์ไม่มีซ้ํานะไม่มีซ้ําเหมือนโลกดุนยานี้นะคือเห็นความสวยงามมั้งเช่นไปไปห้างที่หนึ่งพอห้างสร้างใหม่เนี่ก็ อันนี้เหมือนนูแต่อันนี้ใหม่นิดนึงไม่มีนะสวรรค์ไม่มีซ้ํานะยิ่งตัวเองมีสวรรค์มีวังสวรรค์ของตัวเองนะแหละส่วนเล้วไปเยี่ยมบางเขาอะเขาวังเขาก็เหมือนวังของกูไม่ไดนะ้คือถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่มีความสุขไงแล้วมันจะเป็นความสุขที่ที่พร่องใช่ปะ มีแค่เรานี่มีนาฬิกาโรเล็กเนี่แล้วก็ไปเจอคนข้างเราเนี่ยโรเล็กเหมือนกันนะคนอื่นเขามีเหมือนกูด้วยแหละเนี่ยคือเราในความกูสุดยอดแล้วนะไห้ยสวรรค์เนี่ยเราไปไหนแต่ไหนในสวรรค์เนี่เขาสวรรค์ของเขาเนี่ยเหมือนของเราแล้วก็แล้วก็อะไรที่เขาจะภูมิใจล่ะไอ้นี่ตะกี้จะบอกว่าร้อยตําแหน่งเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้ใครที่อยู่ในตําแหน่งต่าๆเนี่ยรู้สึก รู้สึกว่าเขาด้อยไม่มิฉะรั้มันจะไม่จะจะไม่เป็นสวรรค์สวรรค์เนี่ยต้องมีความสุขสุขนี่ไม่รู้สึกอิจฉาไม่รู้สึกด้อยโอกาสไม่รู้สึกด้อยค่ากว่าคนอื่นนั้นไม่ได้สวรรค์ก็คือความสุขที่สมบูรณ์ในสวรรค์ทั้งหมมีความสุขทั้งหมดนี่นะเทียบไม่ได้ กับการที่มองเห็นพระภาคของอัลลอห์แล้วอัลลอฮ์สุภานอัลฮุตาล่จะเผยพระภาคของพระองค์ให้ชาวสวรรค์ทุกวันที่เรียกว่าอารูบาน บ, บีบอกว่าอารูวันอารบ้านี่คลยคล้วันสุขในสัปดาห์ของชาวโกูกสวรรค์นี่เขาก็จะมีสัปดาห์แต่วันของเขาเนี่ยไม่เหมือนในโลกนี้ไงและเขาก็จะมีวันสําคัญเหมือนที่ชาวโลกนี้ก็มี วันสําคัญของเขานี่เอ่ะวันสุขอย่างเงี้ยวันสําคัญของชาวสวรรค์นี่คือเย้ามูลอารูบาอารูบาเนี่ยแปลว่าแปลว่าความรักวันแห่งความรักวันนั้นนะ่ะที่อัลลอฮ์จะเผยพระพักของพระองค์แล้ววันนั้นนะ่ะที่ชาวสวรรค์เนี่ยจะคิดถึงตลอดเวลาคือเขาจะมีความสุขเต็มที่นะตลอดสัปดาห์นะแต่จะคิดถึงวันที่จะได้มีโอกาสมองเห็นพระพักของอัลลอฮ์ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่มีชาวสวรรค์ที่จะเห็นอัลลอฮ์นี่นบีบอกว่าจะเห็นอัลลอฮ์ช้ า, ชาเย็นอันนี้น่าจะคนชั้นสูงหน่อยนะเช้าเย็นดาลิกะนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวงนั่นคือหรือวา น, นทั้งพอพระทัยของอัลลอฮ์ทั้งสวนสวรรค์เนี่ยนั่นแหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวงฉะนั้นสําหรับ สำหรับผู้ศรัทธานี่ที่บอกว่าผู้ศรัทธานี่ความร่ำรวยความสุขชัยชนะความยิ่งใหญ่เห็นไหมแต่ละคำเนี่ยเวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยผู้ศรัทธานี่เขาจะมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนเวลาพูดถึงชัยชนะอย่างเงี้ยฮมาสพี่น้องปาลีสายชนะไหมชาวโลกบอกว่าแพ้แพ้ยับเลย ไม่เหลืออันนั้นในมาตรฐานมาตรฐานของชาวโลกแต่สำหรับคนที่ต่อสู้ในหนตางของลระนี่ชนะเสมอจะลีกันนั่นแหละแน่นอนแน่นอนพวกมุจยยีดินด้วยกันเนี่ยวเวลาคนล้มตายนะเขาจะพูดอะไรวเขาจะบอกวานี่แอลโชคดีจงคือคนที่ไปก่อนโชคดี เพราะทุกคนที่ก็ต่อสู้นี่เขาอยากจะไปก่อนเขาอยากจะมีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตในหนังดังของเราก่อนไม่เหมือนนะ่ะฟังตรงข้ามฟังยู่ทุกคนนี่ไม่อยากไม่อยากไปไงไม่อยากตายไงคนที่ตายนี่โอ้โชคร้ายเลยข้อร้ายเพราะอะไรเพราะตายไงมาตรฐานของเรานี่ไม่เหมือนมาตรฐาน คนที่ไม่ได้ศรัทธาในวันปรโลกศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในปรโลกนี้มันคนละเรื่องความสุขก็เหมือนกันคนที่เขาสแสวงสุขสแสวงหาความสุขในโลกนี้โดยที่ไม่คำนึงถึงเรื่องเนี้ยที่ผมพูดกับพี่น้องเรื่องสวนสวรรค์เรื่องตำแหน่งต่างๆในสวนสวรรค์เนี้ยแน่นอนแล้วคุยกับเขาเนี่ก็คนละคุยคยนคนละเรื่องฉะนั้นผู้ศรัทธานี่ ถึงแม้ว่าเขาจะได้อะไรมากมายในโลกดุนยานี้เขาก็ยังถือว่าไม่ถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดอุมาริบนาอับดุลอาซีเราก็รู้จักกันนะเป็นคอลิฟาในยุคตทบิยินอุมารเนอับดุลอาซิเนี่ยเป็นเป็นลูกศิษย์ของอานาสิบเนมาเล็กแต่ท่านอยู่ในราชวงศ์วันยูมัยยะท่านก็เรียนรู้ศาสนานะแต่ตั้งแต่เกิดเนี่ย ตั้งแต่เกิดนี้เป็นลูกหลานราชวงศ์เนี่ยคนรวยรวยมากพระรามเดลอาซิสเขา อ, อกว่าใส่เสื้อผ้านี่ไม่ใส่ซ้ํานะหมายถึงว่าใส่ครั้งหนึ่งก็แล้วก็ทิ้งเลยน้ําหอมนี่คนที่ใช้น้ําหอมเนี่ยชนิดน้ําหอมของอ้อมเดลอาซิสเนี่ยจะไม่มีคนอื่นใช้เขาต้องใช้ชนิดเดียวถ้าใส่น้ําหอมแล้วเกิใบที่ไหนคนจะร่วนอีนี่คอาซิสนี่คือเพราะน้ําหอมของเขาคนเดียว ปรากว่าวอุตมนาซีสเนี่ยใช้ชีวิตแบบเป็นเจ้าสำราญเลยนะตลอดชีวิตเนี่ยจนกระทั่งรับตําแหน่งคาลีฟะพอรับตําแหน่งคาลิฟะนี่พลิกเลยเปลี่ยนเลยเป็นคนละคนเลยนะเป็นคนที่มีความสมระเป็นคนที่ ม, มีมีเสื้อผ้านี่ชุดเดียวอาหารการกินนี่ก็กินเหมือนซาฮาบ้าเหมือนสมัยท่านนาบีนี่แบบสมร t มากละมาศขยันทํำอิบะาดา มีคนที่เขารู้จักกันนะเพื่อนซี้กันนะรู้จักกันมานา้าเราก็รู้จักกันกนะเก่าๆ น, นู่นนะโอ้โหนี่แบบแบบสุดยอดของของความสำราญในโลกทุกอย่างนี่ก็คือที่สุดเลยของโลกนี่แต่ทำไมนี่พอเป็นคอร์ลีวาเนี่ยก็เป็นแบบเนี้ยไม่เอาอะไรเลยโลกดูเนี้เขาบอกว่าตอนตอนที่ใช้ชีวิต ธรรมดาแบบเนี้ยก็อยากจะได้มีทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้แต่พอฉันได้ขิลาฟาแล้วเนี่ยซึ่งเป็นตาแหน่งที่สูงสุดในโลกดุนยานี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่สูงกว่านั้นอ น, นอกจากสวรรค์ฉันก็เลยต้องเตรียมตัวเข้าสวรรค์ขิลาฟาเนี้ก็คือกษัตริย์ที่แบบว่าตอนนั้นอณาจักรอิสลามนี่ก็คือยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ คือใครที่เป็นคอลิบ้าเนี่ยกะไม่มีใครเหนือกว่าคอลิบ้าแล้วในยุคนั้นน่นนะเพราะก็พอฉันได้คีรีบ้าแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเหนือกว่าคีรีบ้านี่นอกจากสวรรค์ฉันจึงต้องเตรียมตัวเข้าสวรรค์ก็เลยเปลี่ยนพิกเละผู้ศรัทธาในเวลาคุยกับคนอื่นเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาโอ้อวดกับชาวโลกเนี่ยด้วยหมายถึงว่าผู้ศรัทธาถึงแม้ว่าจะมีนะจะมั่งคั่งนะมีทุกอย่างมีของแบรนด์ก็ได้แต่จะไม่อวด เพราะก้าู้สตาก็ยังมองว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอวดมันไม่ใช่เรื่องที่สูงสุดของความดีที่ได้ครอบครองลาลิกะวนพราวสุลาะนี่คือวลีที่เราจะปลอบใจตัวเองใช้ชนะที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่นี่คืออะไโดยเฉพาะในสถานการณ์นี้นะครับฝาก็พิเ่องตนี้นะครับวะซัลลอฮฺอาลานบีนาโฮัมหม็ะอาลาอลลฮวะซ บีคนค่้วสคว่าเขาเนี่ยได้อยู่ชั้นล่างๆแต่ว่าท่านอีว่าชอบมานี่ได้อยู่ชั้นบนบชั้นเขาจะมีโอกาสนนี่เยี่ยมกันชาวสวรรค์นี่เยี่ยมกันหมดเลยเยี่ยมกันนบีเนะี่ยอาจจะมาเยี่ยมเรานะเป็นไปได้นะับคนที่รักนบีมากนะครับนะบีวพาทุ น, นบีถูกรายงานไง คนนี้สลวัตให้ท่านคนนี้สละวัท่านแ้พี่ก็จะรู้ไงแล้ีอยู่ในสวรรค์เนี่ยคนนั้น น, า น, าน่ะในยุคนั้นน่ะในเมืองไทยเนี่ยเปที่ไทยนี่เขาได้รับรายงานเอาเขาสลวะฉันยะเหลนานาือเกินน่ะขอขอไปเยี่ยมไปก็เป็นไปได้อย่า ว, ว่าเราจะเยี่ยมนบีนั่นนบีอาจจะมาเยีย่ยมเราก็ได้หรือเราอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยอิบมอยู่ตเมียอะไรอิบนุตเมีม ย, มยแต่มียอิ่มตก็ยิงเมืองไขยปะแต่เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยอยากเนีย แยดมีดมยูไนต้กัพี่ยมวันอาุาิเชยบอกเนี่ยคือชาววรคทุกค น, นจะได้ใช่อันนี้สาหรับชาวสวรรค์ทุกคนเลยแต่บางบางชั้นเนี่ยของชาวสวรรค์เนี่ยอันนี้วรโรก็เขาก็จะเห็นนะแต่เขาก็มีสิทธิพิเศ์พิเศษก็คือชาวเย็ยนชาวเย็ยนบุคระตันวะอาชี ให้พวกเราอยู่ในหมู่ที่มองเห็นพระพระคของอระเจ้าเนี่ยตลอดเวลา